เมื่อคนเริ่มศึกษาการพัฒนาก็เริ่มทันทีความต้องการอย่างใหม่ก็มีความสุขอย่างใหม่ก็มาตอนนี้พิงทราบว่ามีแรงจูงใจสองแบบแรงจูงใจแบบที่หนึ่งคือแรงจูงใจในการเสพเรียกว่าตัณหาซึ่งมากับเรื่องของความรู้สึกแรงจูงใจแบบที่สอง คือแรงจูงใจในการศึกษาและสร้างสรรค์เรียกว่าฉันทะซึ่งมากับเรื่องของความรู้ตัญหาเป็นความต้องการประเภทความรู้สึกคือมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจถ้าชอบใจสิ่งใดก็จะเกิดการมตัญหาปรารถนาจะได้เสพสิ่งนั้นอีกและมาคืนยิงขึ้นไป เกิดภาวะตัณหาอยากคงอยู่เป็นอยู่ในภาวะหรือสถานะที่จะได้สิ่งที่ปรารถนานั้นตลอดไปถ้าไม่ชอบใจก็จะเกิดวิพวะตัณหาอยากจะหนีอยากจะหลบหายอยากจะทำลายคนที่เป็นนักเสพจึงวนเวียนอยู่กับแรงจูงใจที่เรียกว่าตัณหา แต่พอใช้อินทรีย์เพื่อศึกษาก็เกิดการเรียนรู้พอได้ความรู้มาก็จะเกิดความอยากรู้ยิ่งขึ้นไปว่าอะไรเป็นอะไรพอได้สนองความอยากรู้ก็เกิดความสุขจากการสนองความต้องการในการรู้ความสุขจะพัฒนาขึ้นตอนนี้จะมีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้ยิ่งกว่านั้นพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เขาจะเริ่มแยกได้ว่าเออสิ่งนี้มันอยู่ในภาวะที่ควรจะเป็นไหมปัญญาที่รู้ที่แยกได้จะทำให้เกิดความอยากหรือความต้องการคืบเคลื่อนก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคืออยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่มันควรจะเป็นซึ่งเป็นธรรมดาของการศึกษาที่จะเป็นอย่างนั้นเองเพราะความรู้ทําให้เราแยกหรยจําแนกได้ เราเห็นโต้ตัวนี้สมบูรณ์เรียบร้อยเราก็พอใจพอเห็นตัวนั้นไม่สมบูรณ์บกพร่องเราก็อยากให้มันสมบูรณ์เมื่อความรู้แยกแยะให้แล้วก็จะเกิดความต้องการหรือเกิดความอยากชนิดใหม่คืออยากให้มันอยู่ในภาวะที่ควรจะเป็นซึ่งเรียกสั้นๆว่าอยากให้มันดีถ้ามันยังไม่ดีก็อยากให้มันดี แล้วก็ก้าวไปสู่การอยากทำให้มันดีและก้าวไปสู่พฤติกรรมในการกระทำเพื่อให้มันดีตอนนี้ละ่ะพฤติกรรมในการกระทำเพื่อให้มันดีก็เกิดขึ้นพอทำให้ดีได้ก็เกิดความสุขเพราะความสุขเกิดจากการสนองความต้องการเมื่อเราพัฒนาความต้องการอย่างใหม่ขึ้นได้ความสุขก็พัฒนาไปด้วย ถ้าเราไม่พัฒนาความต้องการความสุขของเราก็จำกัดอยู่กับการเสพคือต้องการสิ่งชอบใจและไม่ต้องการสิ่งไม่ชอบใจแล้วก็วนเวียนอยู่กับตัญหาพอเราพัฒนาในด้านความรู้เราใช้อายตนะในเชิงศึกษาเรียนรู้ก็เกิดความอยากรู้ซึ่งเป็นความต้องการใหม่ เมื่อหาความรู้เพื่อสนองความต้องการที่จะรู้ก็ได้ความสุขจากการเรียนรู้เมื่อต้องการให้มันดีอยากให้มันดีและได้ทำเพื่อสนองความต้องการที่อยากให้มันดีนั้นได้ก็เกิดความสุขจากการทำให้มันดีการกระทำก็กลายเป็นความสุขหรือการสร้างสรรเป็นความสุขคนก็ได้ความสุขจากการสร้างสรร เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงพัฒนาด้วยการศึกษาคือพัฒนาชีวิตของตนโดยพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาซึ่งรวมทั้งพัฒนาความสุขด้วยตรงนี้เป็นจุดสาคัญคือการพัฒนาความสุขซึ่งเกิดจากการสนองความต้องการใหม่ที่เรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีไฝ่ทำให้ดี หรือความอยากรู้และอยากทำให้มันดีซึ่งทางพระเรียกว่าฉันทะเป็นแรงจูงใจชนิดใหม่ซึ่งถ้าไม่มีการศึกษาก็จะไม่มีแรงจูงใจชนิดนี้ฉะ น, นั้นพระพุทธศาสนาจึงให้เราลดตัณหาพยายามทำตัณหาให้น้อยลงคืออาศัยมันและขึ้นต่อมันให้น้อยลง พร้อมกับพัฒนาและใช้สัรน h ะให้มากขึ้นแต่เรามักจะพูดกันด้านเดียวบอกให้ลดละตัณหาทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าความอยากความต้องการต้องลดละให้หมดกลายเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงพระพุทธศาสนาแยกไว้ว่าความอยากมีสองประเภทคือความอยากที่เป็นกุศล กับความอยากที่เป็นอกุศล 1. ความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากแบบนี้ถ้าเราตกเป็นาธาตุของมันแล้วจะไม่พัฒนาได้แต่จมอยู่กับความสุขและความทุกข์จากความชอบใจและไม่ชอบใจ 2. ความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่า ฉันทะถ้าเราพัฒนาปัญญาความปรารถนาที่เป็นแรงจูงใจชนิดใหม่ก็จะเกิดขึ้นซึ่งทำให้เราได้ความสุขชนิดใหม่และจะนำเราเก้าวหน้าไปในการพัฒนาชีวิตพอเกิดชันทะพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามเป็นรุ่งอรุณของการศึกษา ถ้าเด็กคนไหนเกิดฉันทะเกิดความใฝ่รู้เกิดความใฝ่ดีเกิดความใฝ่จะทำให้ดีหรือเกิดความใฝ่สร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วมั่นใจได้เลยว่าเด็กคนนั้นจะพัฒนาแน่ๆเพราะแสงเงินแสงทองมาแล้วเราจึงเรียกมันว่ารุ่งอรุณของการศึกษาเพราะฉะนั้นต้องให้คนเกิดความอยากที่เรียกว่าฉันทะและเลิกละความเข้าใจผิดที่บอกว่า ความอยากเป็นตันหาหมดซึ่งทาให้เลยเถิดไปปลายเป็นว่าอยากอะไรไม่ได้ต้องละต้องลดต้องกำจัดหมดถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องไม่มัวลดละความอยากแต่ต้องเปลี่ยนความอยากที่เป็นอกุศลมาเป็นความอยากที่เป็นกุศลคือฉันทะนี้ให้ได้ชีวิตก็จะดีชาติประเทศก็จะพัฒนา ฝ่ายรู้ฝ่ายดีฝ่ายสร้างสรรหรือฝ่ายรู้ฝ่ายดีฝ่ายทำให้มันดีนี่คือกุญแจดอกแรกที่จะไขเข้าไปสู่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาต้องเข้าใจระบบถ้าไม่เข้าใจระบบของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นภาพรวมแล้วเราจะไม่มีวันเข้าใจพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเลย ได้พยายามพูดให้เห็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาคือการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและนำความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้เป็นชีวิตที่ดีงามและมีสังคมที่อยู่ในสันติสุขเริ่มแรกพอเกิดมาเราก็มีอินทรีย์ที่เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิตซึ่งใช้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอก ตอนนี้แหละการดําเนินชีวิตที่ถูกหรือผิดก็เริ่มทันทีจากที่พูดมานี้ก็เป็นอันว่าช่องทางติดต่อสื่อสารกับโลกโดยทางอัยตนิะหรืออินทรียหกที่เป็นทั้งแดนศึกษาและแดนเสพนี้ในการพัฒนาคนเราต้องใช้มันเพื่อการศึกษาให้มากขึ้นให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่ทาให้ดีพูดสั้นๆก็คือ ไฟศึกษาและไฟสร้างสรรค์ไฟรู้ก็คือไฟศึกษาไฟดีไฟทำให้มันดีก็คือไฟสร้างสรรค์